ถูกลมพัดถูกอะไรยังกระเทือนอยู่ค่อยฝึกไปต่อไปใจเหมือนดาวเทียมนะใจเหมือนดาวเทียมโลกเป็นยังไงใจเราไม่เกี่ยวอ่ะแต่ดาวเทียมยังมีวันตกไม่ก็หลุดนอกวงโครจอรเนอยู่ต่อไปฝึกไปเรื่อยๆถนะ้าใจเราไม่มีที่จุดที่หมายที่กําหนดเหมือนไม่มีดาวเทียมด้วยงั้นไม่มีอะไรจะขึ้นจะลงอีกต่อไปละอย่างโลกนะมันมืดมันสว่างนะถ้าเราอยู่ในโลก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 นี่เราภาวนานวันหนึ่งเราจะพ้นจากแรงดึงดูดพวกนี้เพรนต้องเข้าใจโลกสิ่งที่เรียกว่าโลกไม่ใช่โลกอย่างนี้ไม่ใช่เ อ, อิโลกในนิยามของศาสน า, าพุทธนะคือรูปกระ nam คือกายกระใจนี้คือร่างกายจิตใจเรียกว่าโลกพระพุทธเจ้าบัญญัติกับว่าโลกคือกายยาวประมาณหนึ่งวาหนาประมาณหนึ่งพืบกว้างประมาณหนึ่งสอง อย่างหลวงพ่อก็หลายสอบหน่อยเกินมาตรฐานไปเป็นมาแต่บรรพบุรุษนะบรรพบุรุษหลวงพ่อมีคนนึงต้องขายรถเก่งนะเราซื้อปิกั p มานั่งถ้านั่งรถเก่งแล้วเข้าประตูลำบากนี่คนทั่วๆไปก็โดยทั่วไปก็ปกายยาวานาคืบกว้างสองมีสัญญาและใจกลองเรียกว่าโลกซรครวมแล้ ว, ม, วมีกายกับใจเรียกว่าโรค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 รู้สึกวันนี้หลวงพ่อเจะเทศยากเกินไปคนใหม่ๆเยอะมากเลยนะเดี๋ยวเอาเวอร์ชันใหม่นะ เ, เวอร์ชันที่ยากไปลนะข้างหลังเริ่มงงแล้วเอาใหม่เอาใหม่เ อ, หมเอาง่ายง่ายนะเคยทำกรรมฐานอะไรนะทำต่อไปนะเบื้องต้นนะหากรรมฐานมาทำสักอันหนึ่งก่อนนะอะไรก็ได้จนะรู้ลมหายใจก็ได้จะรู้ท้องฟองยุบก็ได้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 แล้วเห็นสภาวะธรรมเกิดดับอยู่สองขณะบ้างสามขณะบ้างนะจเจสร็จแล้วไม่จะวางสภาวะทวนกระแสเข้ามาห า, าธาตุรูนะ้อริยามรรคก็จะแหวกสิ่งซึ่งห่อพุ่มปกคลุมจิตอยู่แวกออกไปขาดออกไปนะจิตเข้าถึงธรรมแท้สองขณะบ้างสามขณะบ้างไม่เท่ากันแต่ละผลจิตถอยออกมาเนี่ยเราจะทวนกลับเข้าไปพิจารณารู้เลยว่าตัวเราไม่มีไม่มีอีกต่อไปแล้วไม่มีแม้แต่เงานนะ อ่ะได้แค่นี้เชิญไปถัดข้าวนิมนต์ครับนิมนต์